วันนี้ค่อยน้อยหน่อยวันนี้ดูน้อยกว่าเมื่อวานค่อนชัวรเรียนทุกวันจะเรียนอะไรนี <c> ่ <oughs> เรียนของเราเองนะได้หลักแล้วก็ต้องไปดูเอาเองจริงๆแล้วการปฏิบัติก็มีแค่สติปัฏฐานฝึกอยู่แค่นั้นแหละนะสติปัฏฐานคือมีสติ รู้รูปนามรู้กายรู้ใจด้วยจิตใจที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางเบื้องต้นรู้เพื่อให้เกิดสติเบื้องปลายรู้ให้เกิดตัญญาอันนี้พูดให้ฟังทุกวันความจริงสติปัฏฐานเนี่ยยังมีนัยยะอื่นๆ อ, อ, อีกอย่างในพระสุตตันตปิฎกเล่มอระไตรปิฎกเล่ม19 มีพระสูตรอยู่อันชื่อโกศล ส, สูตรโกศล ส, สูตรพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานอย่างย่อยๆแต่สำนวนที่สอนนี่แปลกไปท่านบอกว่ามีกายในกายเป็นวิหารธรรมมีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีธรรมเอกมีธรรมเอกคือสัมมาสมาธิหน่งใจที่ตั้งมั่นขึ้นมามีสติอยู่ แล้วมีทำเอกการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีการเจริญสติปัฏฐานของคนสามกลุ่มทำไม่เหมือนกันปุถุชนเนี่ยทำสติปัฏฐานอย่างหนึง่งพระเสขาบุคคลทำอย่างหนึง่งพระเสขาหมายถึงพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาทำสติปัฏฐานอีกอย่างพระราหันก็ทำสติปัฏฐานอีกอย่างหนึง่งไม่เหมือนกัน ปุถุชนเนี่ยทำสติปัฏฐานเพื่อให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงของมันคือไม่มีตัวเราเราเห็นแล้วว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเื่อเป็นพระโสดาบันการทำสติปัฏฐานถัดจากนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราแต่เพื่อให้รู้ รู้กายรู้ใจลงไปเพื่อให้เห็นอะไรให้เห็นทุกข์นั่นเองแม้นพระเสขาบุคคลเนี่ยยังมารู้กายรู้ใจซึ่งเห็นอยู่แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราแต่เห็นลงไปเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะว่าถูกบีบคั้นเป็นทุกขังทุกข์เพราะว่าเป็นอนัตตาส่วนพระละหันนะทําสติปัฏฐานเหมือนกันท่านก็รู้กายรู้ใจ แต่ไม่ได้ทำเพื่ออะไรท่านบอกว่ามีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะเป็นวิหารธรรมมีความเพียรอยู่นะตามรู้ตามดูกายอยู่มีธรรมเอกมีธรรมเอกเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ทำเพื่ออะไรนะวักสุดท้ายไม่ใช่เพื่อให้เกิดยานทัศนะเพื่อให้เห็นแจ้งอนะไรแต่ว่าทำไปอย่างนั้นแหละ จิตมันพลากออกจากขันมัพลากออกจากขันรู้กายในกายจิตก็พลากออกจากกายรู้เวทนาในเวทนาจิตก็พลากจากเวทนารู้จิตในจิตจิตก็พลากจากจิตรู้ธรรมในธรรมนะจิตก็พลากออกจากธรรมเพราฉ้นถ้าเราภาวนาไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจิตเราจะพลากออกจากขัน มันแยกออกจากขันนะขันก็ทำหน้าที่ของขันไม่ใช่ไม่มีขันขันก็มีอยู่ขันเป็นวิบากไม่มีใครทำลายได้เพราะฉัขันยังมีอยู่นะแต่ว่าจิตพลากจากขันพวกเราตอนนี้จิตไม่พลากจากขันแต่จิตคลุกอยู่กับขันตะลุมบอลอยู่กับขันตลอดเวลาพอมาหัดรู้สึกตัวก็รู้สึกมันแยกแยกออกมา แยกออกจากขันได้นิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวก็เข้าไปรวมอีกล้วทาไมหวงแหนขันมากเพราะว่าเห็นว่าขันเป็นตัวเรานี่ภาวนามากเข้ามากเข้าเห็นว่าขันไม่ใช่เรานะแต่ขันนี้ยังนําความสุขมาให้ได้ขันไม่ใช่ตัวเราแต่ยังนําความสุขมาให้ได้นั่นทําสติปัฏฐานต่อไปเห็นว่าขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ขันนําความสุขมาให้ ถ้าเห็นขันยังนำความสุขมาให้ได้นนก็ยังไม่วางขันไม่พลากออกจากขันยังชื่นชมในขันเกาะเกี่ยวอยู่ในขันกลใดจิตยังเกาะเกี่ยวอยู่ในขันนะพบชาติจะไม่สิ้นสุดหรอกเพราะแสวงหาพบชาติก็เพราะว่ารักขันนั่นแหละมีพบมีชาติขึ้นมาก็คือมีขันขึ้นมาปัญญาแจมแจ้งขันนี้เป็นทุกข์ก็จะวางขัน หลังจากนั้นถามว่าทาสติปัฏฐาไนไหมก็ทําทําไมต้องทําทําเล่นๆไปงั้นแหละเพราะว่าสติมันอัตโนมัติมันก็รู้กายรู้ใจของมันเองทั้งวันแต่รู้ไปอย่างนั้นเองจิตกับขันเป็นพลากาออกแยกกันล้งั้นขันซึ่งเป็นตัวทุกข์ขันซึ่งเป็นตัวแปรปรวนนะก็ทําหน้าที่ของขันไปเป็นทุกข์ไปแปรปรวนไปแต่จิตที่ฝึกดีแล้วนะไม่ทุกข์ไปกับขัน กาดำลงชีวิตไปจนกระทั่งวิบากหมดวิบากหมดก็คือขันมันแตกขันนี้เป็นส่วนของวิบากนะเกิดมาด้วยวิบากขันนันแตกสลายไปจิตไม่ไปสร้างพบใหม่ขึ้นม า, างั้นเราค่อยฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆสังเกตกายสังเกตใจรู้กายรู้ใจไปพวกเราส่วนมากในห้องนี้เป็นปุถุชนงนนเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจรงิง รู้ตามความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราอย่าไปดูมุมอื่นให้ดูลงมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะีมันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเกิดเกิดดับดับไม่มีตัวเราที่ถาวรอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใช่ตัวเรานะเพราะมันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้นานหรอกสภาวะอันใดนหนึ่งที่คิดว่าเป็นเราเรานะอยู่ได้ไม่นานก็แตกสลายไปมันถูกบีบคั้นนี่เรียกว่าทุกขังหรือเห็นขันมันทํางานของมันได้เอง มันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองนี่เห็นอนัตตานะเป็นธาตุเป็นขันเป็นวัตถุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป น, นี่ในส่วนของรูปนามก็เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยในส่วนของนามนะทำงานของมันได้เองเช่นเผลอมันก็เผลอเองรู้สึกตัวก็รู้สึกเองโลภก็โลภเองโกรธก็โกรธเองนะฟุ้งซ่านหดหูเป็นสุขเป็นทุกข์มันเป็นของมันเองดูมันไปอย่างนี้เรื่อยเรเรียกว่าเราวาง เป้าหมายของการภาวนาได้ถูกต้องคือเรามาปฏิบัติภาวนานะรู้กายรู้ใจเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ตัวเราเพราะอนิจจังคือมันเคยมีแล้วไม่มีไม่มีแล้วก็เกิดมีนะไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเป็นทุกขังคือถูกบีบคั้นสภาะวะอันใดอันหนึ่งล้วนแต่คงที่อยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายไปในที่สุดถูกบีบคั้น สภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันทำงานของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเราบังคับมันไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตานะเนี่ยรู้ลงไปขันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปดูมุมอื่นนะเสียไปล่ำเวลาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้แหละไม่ใช่ไปดูว่าขันเป็นปฏิกูนาสุภาอะไรอย่างนี้นะเป็นปฏิกููนัสุภาไม่ใช่ไตรลักษ หรือไม่ใช่ดูขันเพื่อจะรู้ความเคลื่อนไหวของมันเฉยๆเช่นหายใจออกหายใจเข้าก็รู้อยู่เฉยๆท้องมันพองท้องมันยุบเพื่อกำหนดไว้เฉยๆรู้แต่ท้องพองท้องยุบแลไม่มีปัญญาไม่เห็นใจรักยกเท้าย่างเท้าเห็นแต่ขามันเดินไปนะใจก็แน่เพ่งอยู่ที่เท้าได้แต่ความสงบย่างนี้เรียกว่าทาปฏิบัติกรรมฐานไม่เข้าเป้านะพลาดเป้า ยิงพลาดเป้ายัางไงก็ไม่โดนก็ว น, นเวียนซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกเสียเวลาแกนยะิงก็ยิงให้ถูกเป้าเป้าของมันก็คือต้องรู้กายรู้ใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่เราเป้าจริงๆคือให้เห็นว่าไม่ใช่เรานี่บางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอนิจจังบางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นทุกขังบางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอนันตตามุมใดก็ได้ให้เรามีสติ มีใจตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นเห็นกายเห็นใจเขาทํางานของเขาไปเรื่อยๆบทเวลามันพอมันจะแจ้งเนี่ยมางคนแจ้งเพราะเห็นอนิจจังมันคนแจ้งเพราะเห็นทุกขงังบางคนแจ้งเพราะเห็นอนัตตาที่แจ้งมาได้ก็เพราะว่าตามรู้ตามดูไปเห็นมันเกิดดับเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันทํางานไปเรื่อยๆงั้นอย่าไปดูในแง่ในมุมอื่นหรืออย่างจิตใจเราเราดูจิตใจเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรานะ ไม่ใช่เราเพราะว่าไม่เที่ยงเนะีเช่นเคยสุขแล้วไม่สุขเคยทุกข์แล้วไม่ทุกข์เคยเฉยๆแล้วไม่เฉยๆนะเคยโลภแล้วไม่โลภเคยโกรธแล้วไม่โกรธเคยหลงแล้วไม่หลงเคยสงสัยแล้วก็หายไปเคยหดหู่แล้วก็หายไปเคยฟุ้งซ่านแล้วก็หายไปนะหรือดูว่าจิตใจมันทํางานของมันได้เองโกรธมันก็โกรธเองนะโลภมันก็โลภเองหลงมันก็หลงเองสุขมันก็สุข ข, ของมันทุกข์มันก็ทุกข์ของมันมันทำเอง อย่าไปดูมุมอื่นเช่นไปดูจิตเป็นความว่างน้ำจิตเข้าหาความว่างน้ำจิตให้หาความว่างจิตไปอยู่ทรงอยู่ในความว่างมันคือช่องทางที่จะไปสู่พบอันหนึ่งชื่ออากาสานัญจายตนะเพ่งในความว่างความว่างตัวนี้ไม่ว่างจริงหรอกเป็นช่องว่างเพราะว่าใจเนี่ยไม่ได้ปลดปล่อยพันธนาการทั้งหมดจนเป็นอิสระขึ้นมา แค่ไปดูช่องว่างบางคนก็ช่องเล็กบางคนก็ช่องใหญ่หน่อยว่างๆว่างๆเพ่งอยู่อย่างนี้เอาความว่างมาเป็นอารมณ์เป็นสมถะกรรมฐานบางคนพอดูความว่างไปแล้วก็สังเกตโอ้จิตมันเป็นผู้ดูความว่างเปลี่ยนจากการเพ่งความว่างมาเป็นการเพ่งตัวรู้เพ่งจิตตัวนี้ก็ไม่ใช่วิปัสสนาณ์ออกนอกเป้าไปอีกแล้วตัวนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะ การเพ่งตัววิญญาณเพ่งไปเพ่งไปนะัยังเห็นอีกการเพ่งวิญญาณยังมีภาระต้องเพ่งยังหยาบเกินไปอีกเพิกวิญญาณออกไปเพ่งความไม่มีอะไรเพ่งความไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอากินจัญญายตนะตายไปก็ไปเป็นพระพรอมนะเป็นอรูปพระพลมพปลอมไม่มีรูปนี้พอเพ่งอยู่ในความไม่มีอะไรนานไปเนี้ยสัญญามันจะอ่อนลงเพราะมันไม่ต้องทํางานมาก สัญญามันอ่อนตัวลงไปนะั้นในที่สุดก็เหลือสัญญาก็ไม่ใช่ไม่เหลือสัญญาอยู่ก็ไม่ใช่นะ น, นี่เรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะเน่ยเวลาดูจิตดูใจก็ต้องระวังไม่ไปเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตมันจะเข้ า, ารูปฌานนะงั้นบางคนหัดเข้าฌานด้วยการรู้กายนะรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้เพ่งกสินเพ่ ง, เพงไฟอะไรต่างๆเหล่านี้จนะิก็เข้าฌาน ฌานที่ใช้รูปเป็นอารมณ์พวกที่ดูจิตดูใจนั้นก็เข้าฌานโดยการใช้นามมาทำเป็นอารมณ์เข้าได้เหมือนกันถึงฌานที่สี่เหมือนกันงั้นเราไม่ได้พาวนาเพื่อสิ่งเหล่านี้ฌานแต่ละชั้นก็คือพบชาติทั้งหลายนั่นเองไม่ได้เป็นการมาพบแล้วแต่ไปสร้างพบละเอียดขึ้นมาภายในที่เกิดจากการเพ่งรูปบ้างเพ่งนามบ้าง าการเพ่งรูปเนี่ยมีตัวพิเศษอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าอาสัน ญ, ญีอาสัญยีหรือปล่มลูกฟักนั่นเองวิธีจะเข้าอาสัญยีนะก็เพ่งร่างกายอย่างเดียวเลยดูท้องพองยบไปดูเท้าไปดูอะไรเนี่ยเพ่งแต่ร่างกายอยันเดียวเลยไม่สนใจที่ความรู้สึกตัวจะหยิบจะจับอะไรนะเคลื่อนไหวมือเนี่ยเพ่งให้จิตแนบอยู่ในมือตลอดเลยให้มันแนบอยู่กับวัตถุอย่างเดียวเลย ไม่สนใจความรู้สึกตัวเรียกว่ามีสัญญาวิราคะเมื่อจิตมันแนบสนิทอยู่กับรูปแล้วนะเพ่งอยู่กับกายจนจิตจะจิตแนบสนิทแล้วโดยที่ไม่ได้ประคองไม่ได้บังคับจิตมีอวเวกขามีอุ ก, กะเอกาตานะอาศัยความที่ไม่สนใจนามหรือนามดับจิตดับลงไปเนะ <Okay. S 1> หลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆอยู่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานอะไรนะ ถึงไปเข้าอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่ลบล้างกิเลสนะเพราะไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเห็นกายเห็นใจมันเป็นไตรลักษณ์ไปนะเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เพื่อว่าวันหนึ่งจะมีปัญญารู้แจ้งว่ามันไม่ใช่เราสรุปแล้วพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นการที่เรามาคอยรู้กายรู้ใจต้องรู้ว่าเพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวเรา ไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้ไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยมีแต่ขันห้าเขาทำงานของเขาเองนะร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายนะเวทนาเขาก็ทำหน้าที่ของเวทนานะสัญญาก็ทำหน้าที่ของสัญญาจําจำได้หมายรู้ไปเรื่อยๆสังขารมันก็ปรุงกุศลอนะกุศลไปตามหน้าที่ของมัน จิตก็ทำหน้าที่รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องดับความรับรู้ไม่ต้องละเวทนาบางคนภาวนาผิดนะเช่นทำยังไงจะไม่เจ็บไม่ปวดนั่งได้นานๆเนี่ยอวันไหนนั่งทนเอาชนะเวทนาได้รู้สึกกูเก่งกูเก่งนั่งเอาชนะเวทนาไม่ใช่เป้าหมายนะผิดเป้าอีกแล้วมันจะรู้สึกกูเก่งมันกลายเป็นมีกูมากกว่าเก่าอีก เพรน้ที่เราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาชนะขันไม่ใช่เอาชนะร่างกายเช่นกินยาพิษเข้าไปแล้วก็ไม่ตายนอนเล่นกลิ้งไปกลิ้งมาบนตะปูก็ได้ทรมานยังไงก็ไม่เป็นอะไรหนังเหนียวอยู่โยงคงกระพันไม่ได้ให้กายมันพิเศษอย่างนั้นไม่ได้ฝึกให้เหนือเวทนาไม่เจ็บไม่หนาวไม่ร้อนไม่ทุกข์ไม่อะไรเฉย ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเสียเวลาเกิดเป็นสัตว์หรอกพยายามกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินมันก็ทําเป็นใช่ไหมงั้นถ้าภาวนาจนหมดความรับรู้นะไม่รู้ร้อนรู้หนาวมีชีวิตยอยู่ซื่อบื้อไปองั้นบางคนคิดว่าพระละหันเป็นอย่างนั้นแม่ชีเนี่ยเคยมีรุ่นพี่ในที่ทํางานนะแม่ชีรุ่นพี่คนนี้ไปบวชวันหนึ่งภาวนาบวชอยู่หลายปีแล้วก็มาสอนน้องๆในที่ทํางาน ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรเลยนะไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่มีอะไรสักอย่างนะใจอยู่กับความว่างอย่างเดียวนะแม่ชีก็ถามเออถ้าอย่างนั้นพระอราหันต์กับโรบอทก็ตัวเดียวกันสิ <c oughs> พระอรหันต์กับหุ่นยนต์ก็เหมือนกันสิไม่รู้ร้อนรู้หนาวแค่กระดุกกระดิกไปเรื่อยๆผู <c oughs> ้มาสอนโมโหเลยนะ <c oughs> โอ้ยนางคนนี้โปรดไม่ไหว <c oughs> โกรดไม่ไหวแล้วคนนี้ไม่เอาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแ <c oughs> <c oughs> ม้จะไปฝึกกรรมฐานนะให้ขันห้ามันผิดธรรมชาติธรรมดาเ้วคิดว่าพระอราหันต์เนี่ยคือคนที่ขันห้ามันเหนือธรรมดางั้นถ้าขันห้ามมันเหนือธรรมดาพระอราหันต์คงไม่ต้องฉันข้าวหรอกพระอราหันต์คงไม่ต้องนอนพระอราหันต์คงไม่ต้องขับถ่ายพระอราหันต์คงไม่ต้องเจ็บป่วย พ้พูดใเจ้าอย่างนี้ไม่พ้นสิ่งเหล่านี้เลยเนั้นบางทีนะเออเาว่างว่างว่างคิดเอาเองทั้งสิ้นเลยมันว่างจากกิเลสว่างจากความเห็นผิดว่ามีตัวตนไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแพราะฉั้นเรารู้กายเรารู้ใจไปเพื่อเห็นว่ามันว่างจากความเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ว่างเปล่าหรือบางคนฝึกมาถามหลวงพ่อนะทำไงจิตจะเลิกคิดจิตมีหน้าที่คิดเนะ สังขารขันต้องทํางานหรืทําไงจิตจะไม่มีราคะทํายังไงจิตจะไม่มีโทสะถ้ามันมีเหตุมันก็ต้องมีราคะถ้ามันมีเหตุมันก็ต้องมีโทสะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเหนือขันไม่ได้ฝึกเพื่อจะเหนือไตรลักษณ์แต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของขันให้เห็นความจริงของไตรลักษณ์จนจิตนี้อ่อนน้อมยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าขันห้านี้มันเป็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่เราหรอก ตัวเราไม่มีในขันห้านี้ขันห้าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนอกเหนือจากขันห้านอกเหนือจากขันห้าก็ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยมีแต่ขันห้าทำงานของขันห้าไปตามหน้าที่ของขันห้าขันห้าเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งผลักดันเห็นอย่างนี้ตั้งหากจะเห็นว่าทุก์มีอยู่คือขันมีอยู่ทุกมีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ไม่มีเราผู้เป็นทุก์ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขา เห็นทุกมีอยู่แต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาผู้เป็นทุกขเห็นแต่ปรากฏการของขันทํางานของขันไปตามเหตุตามปัจจัยของขันเห็นอยู่แค่นั้นเองแต่ตัวเราไม่มีเนะี่ยใครรู้ใครดูนะวันหนึ่งมันจะมาเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้บางคนกลัวไปเลยบางคนกลัวเพราะว่าเอาแต่ฟังนะแต่ถ้าภาวนาไปจนเห็นอย่างนี้จริงๆจะพบว่ามีความสุขมันมหาศาลเกิดขึ้น ทุกวันนี้เราทุกเพราะขันเราทุกเพราะกายทุกเพราะเวทนาทุกเพราะสัญญาเพราะสังขารทุกเพราะจิตเราทุกเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นภาระทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกขันท่าเป็นภาระคนที่แบกขันท่าแบกภาระไปนั้นไม่พ้นจากทุกพระอริยะเจ้าคือพระอรหรันตะ์วางขันลงแล้วแล้วไม่ไปหยิบฉวยขันขึ้นมาอีกนะก็พ้นจากทุกทั้งปวงเพราะงั้นเราอย่าไปกลัวนะว่าฟังหลวงพ่อพูดแล้วอุ้ยตัวเราหายไปตัวเราหายไป หายไปเสียได้ก็ดีเพราะสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นคือตัวทุกข์ต่อไปมันจะเหลือแต่ปรากฏการณ์แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ค่อยเรียนค่อยรู้นะไม่ยากอะไรหรอกตอนที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลเรียนจากครูบาจารย์ท่านก็ไม่มาแจกแจงพันธนาให้มากมายขนาด น, นี้ท่านสอนให้คําสองคำท่านเองแล้วก็ไปภาวนากันแรมปีไปฝึกฝนตัวเองความรู้ความเข้าใจทั้งหลายก็ เ, เกิดขึ้นมาเอง สมัยที่หลวงปู่ดูลสอนเคยมีเหมือนกันที่สอนกว้างขวางพิสดาร น, นะตั้งแต่จักรวาลเกิดมาได้ไงหลวงพ่ อ, อยังไม่ยอมเล่าให้พวกเราฟังเดี๋ยวพวกเราจะเพี้ยนจักรวาลเกิดมาได้ไงสัตว์มันเกิดมาได้ยังไงจากสิ่งไม่มีชีวิตพัฒนาการเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเป็นยังไงจากสิ่งที่มีชีวิตซึ่งไม่มีจิตวิญญาณเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณได้ยังไงจิตวิญญาณทางานยังไง ทำงานได้งไงสะสมกิเลสไว้สะสมกรรมไว้นะทำกรรมแล้วก็สะสมบิบากไว้ยังไงสร้างอนุสัยสร้างอะไรขึ้นมานะจนเกิดการสืบพบสืบชาติหมุนวนไปไม่มีที่สิ้นสุดนะภาวนายังไงนะจะตัดวัดตฏะลงไปได้ท่านสอนจนถึงลีลาหรือกระบวนการเวลาจะนิพพานนะนี่สอนตั้งแต่จักรวาลเกิดนะจนถึงนิพพานสอนอนี้ เพรนั้นหลวงพ่อฟังด้วยความท้อทแท้ใจไม่รู้เรื่องเลยนะฟังฟังนั้นท่านก็เทศเทศเทศให้ฟังก็นึกไม่ออกนะว่าจะเอาไปปฏิบัติได้ยังไงมันจะมีประโยชน์อะไรที่แท้ท่านสอนไว้เพื่อวันหนึ่งจะมาบอกพวกฟุ้งซ่านนี่เอง <c oughs> เสร็จแล้วถามท่านนะว่าโอ้ที่หลวงปู่สอนมาเยอะแยะผมไม่รู้เรื่องเลยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหม ท่านยิ้มหวานได้สิธรรมะทั้งหมดนะออกมาจากจิตเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นกุศลก็ออกจากจิตธรรมะที่เป็นอกุศลก็ออกจากจิตธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ออกมาจากจิตจิตแสดงออกมาให้ฟังให้รู้ให้เห็นธรรมะมีกว้างขวางมากมายเหมือนใบไม้ทั้งป่านี่พระพุทธเจ้าเคยกําใบไม้ขึ้นมาหนึ่งกำมือถามพระว่าใบไม้อันไหนมากกว่ากัน พระก็บอกใบไม้ในป่าเยอะท่านบอกธรรมาที่ท่านรู้เห็นนะม า, มากมายแต่ท่านสอนกา ม, มือเดียวถามว่าใบไม้หนึ่งกำ ม, มือของพระพุทธเจ้ามีกี่ใบเราเรียนใบไม้หนึ่งกำ ม, มือนี่นะเราจะข้ามบคข้ามชาติกันเฉลยให้ก็ได้ก็คืออริยสัจนั่นเองคืออริยสัจสี่นั่นเองใบไม้หนึ่งกรร ม, มือที่ท่านสอน วันใดที่ไม่เห็นแจ้งอริยสัจยังเวียนไหวตายเกิดไปวันใดเห็นแจ้งอริยสัจนะก็พ้นพ บ, พบชาติไปอ่ะต่อไปตรวจการบ้านพวกอยู่วัดทำไมเยอะมากวันนี้อ่ะเชิญคนไหนก่อนพวกอยู่วัดนะคนไหนไม่อยากส่งการบ้านไม่ส่งก็ได้นะไม่ว่านัวันสุขาหลวงพ่อคะ่ะ อันนี้เป็นข้างแรงที่ได้มาส่งกันบ้านของหลวงพ่อนะคะแต่ก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็พยายามที่จะหัดดูจิตของตัวเองนะคะ <S <S สังเกตตัวเองว่าเวลาที่ตัวเองเดินจงกรมเนี่ยเราจะมีสติมากกว่าในขณะที่เราเวลานั่งปฏิบัติเหมือนเราจะพยายามกดแล้วก็ข่มบังคับตัวเองอะคะอ่ะ ม, ม, มันทําให้รู้สึกว่าหนักๆแน่นๆที่กลางหน้าอกแล้วมันก็ไม่เดินปัญญาก็ อ, อ, อยากจะขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนําด้วยนะะแนะ น, ำนํำนะเดินให้เยอะไว้ ยังมีแรงเดินก็เดินเข้าไปเราภาวนาแบบไหนดีเราก็ทําอย่างนั้นนี่แต่ถ้าเราเดินจนเมื่อยแล้วเราจะทํำยังไงเราก็นั่งขยับไม่นั่งนิ่งๆ น, นะนั่งขยับไปขยับอย่างหลวงพ่อเตียนก็ไดนะ้เราไม่ถนัดในกระบวนท่าหลวงพ่อเตียนเราบัญญัติกระบวนท่าเองก็ได้แต่อย่าให้ทุเรศมากนะบ า, บางคนบัญญัติกระบวนท่าเ ค, คหัวตัวเองปักปักใครเข้ามาเห็นนะเขาก็ดูถูกศาสนาพูดไปเลยว่าพอบรรลุพระอรหันต์้าปัญญาอ่อนพอดี ขยับไม้ขยับมือไปขยับนิ้วอะไรเงี้ยนะเคลื่อนไหวไปเอาเอากายมาช่วยให้รู้สึกไว้ดะงนั้นถ้าเราภาวนานะเราดูจิตล้วนๆไม่ไหวเราเอากายมาช่วยดูกายที่เคลื่อนไหวอย่าดูกายนิ่งๆในนุชรัตอ๋อก็ที่ผ่านมาค่ะหลวงอาก่อนหน้านี้จะค่อนข้างเครียดมาอยู่วัดก็รู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นนะคะ ก็รู้สึกจะมีกดจิต บ, บ้างเล็กน้อยแล้วมันก็จะมีสึกตัวอาัตตาเยอะนะคะหลวงอา ด, ดูไปหนะ้อาอัตตาเยอะดูไปค่ะแต่พอนึกถึงเวลานึกถึงว่ากายไม่ใช่เราหรือว่าจิตไม่ใช่เราไม่สึกมันจะมันก็จะจางอันนั้นเราเ<อ>ยังรู้ด้วยกันคิดเอาค่ะนะแต่ว่าคิดนําร่องให้จิตมันก่อนก็ได้สําหรับ<ม>อันนี้เรื่องเฉพาะตัวนะคนอื่นไม่ต้องอย่างนุชรัตน์เนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านมาก นชลัตก็มาคิดพิจารณาว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราอะไรเงี้ยจิตก็สงบลงมาเป็นสมถะพอจิตสงบแล้วเราก็รู้กายรู้ใจไปอย่างสบายๆต่อไปเพื่อจะได้เห็นความจริงว่ามไม่ใช่เราจริงๆน่ยมันทํางานของมันได้เองเอ่ะติ๋มก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยั ง, ย, งยังออกไปไม่ได้มันยังอัดเข้ามาอยู่ข้างในอยู่ อ, อย่าไปอัดสิอัดไว้ก็ทุกข์เปล่าๆค่ะเขาใช้วิธีแบบนั้นอย่าไปภาวนาเพราะอยาก นั่งโดยแบบว่าลืมตาคือคือหลับตาไม่ได้เลยก็<ม>ก็ใช้วิธีอยู่กับการเคลื่อนไหวอย่างที่หลวงพี่สอนนะคะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะดูคราภิกสูทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่ายาวให้ใจออกสั้นรู้ว่าสั้นอะไรเงี้ยหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวท่านสอนอยู่แค่นิ่ง ท่านไม่ใคยสอนบอดูกราฟิกสูทั้งหลายนะให้ครูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหลับตาหู ป, ปากนะกลั้นลมหายใจไม่มีสักอย่างนะแล้วเราไม่ต้องทำเกินที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเริ่มต้นนะถ้าเราไม่ชำนาญจริงพอเริ่มต้นแล้วหลับตาปุ๊บจะไปเพ่งเนาะแต่ถ้าชำนี้ชำนาญไม่เพี่งนะหลวงพ่อเคยเห็นรูปท่านอาจารย์มหาบัวที่ท่านไปเทศที่กระทรวงศึกษาหรือที่ไหนจําไม่ได้ละ เคยเห็นไหมรูปที่ท่านนั่งสมาธิโชว์ท่านนั่งให้ดูแล้วนะท่านนั่งหลับตานะแต่ท่านไม่ได้เพ่งแล้วเราอย่าไปนั่งเพ่งนะเพ่งไม่รวมอย่างนี้ไม่รวมนะท่านนั่งเล่นเล่นเหตุที่ทาให้เกิดสมาธินะคือความสุขงั้นต้องนั่งอย่างมีความสุขเนี่ยรวมทันทีนะมีความสุขถ้าไปอย่างนี้เครียดเครียดนี่ไม่รวมแต่กว่าจะรู้ตัวนี้นะแทบตายเลย ฝึกตั้งนานเนะี่ยกว่จะได้เคล็ดลับโน้ตเฮาตัวนี้แจกให้ฟรีนะไม่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์อย่าห น, น้าด้านเอาไปจด น, นะเดี๋ยวบอกต่อไปนี้คนอื่นห้ามสอนแบบนี้หลวงพ่อกลัวฝรั่งมากเลยเดี๋ยวมันมาฟังที่หลวงพ่อเทศได้แล้วมันไปจดลิขสิทธิ์ธรรมะเป็นของฟรีของกลางนะมันจะเอาไปเป็นของส่วนตัวได้นะเา มันก็มีโมหะครับนี้ข้างในใจมันมีดิ้นกุกิกกุกิกอยู่ดูสิมันแข็งป๊อกเลยรู้สึกไหมครับเครียดระวังเป็นโรคจิตนะไม่ใช่จิ ต, ตแพทย์ไม่เป็นโรคจิตนะอไปเค้นจิตถ้ามากมากเดี๋ยวเป็นโรคจิตนี่มาโทษกันไม่ได้ต้องปล่อยมันปล่อยแล้วก็รู้ปล่อยแล้วก็รู้ไปช่วงสามสีวันที่ผ่านมาก็ ลองนั่งสมาธิแบบดูลมหายใจอืนี่ปรากฏว่ารู้สึกใจมันเข้าไปคลุกกับลมมากแล้วก็ให้รู้ทันสิว่าใจไหลไปรวมที่ลมแต่แต่คือตอนตอนที่นั่งตอนนั้นมันไม่มันไม่รู้ฮะแต่ออกมามันรู้สึกว่าใจมันนิ่งผิดปกติไปก็ให้รู้ก็ต้องรู้ทันตั้งแต่แรกนะพอลมหายไปก็เหลือแต่ใจอันเดียวพอโลกธาตุดับไปเลยเหลือแต่ใจอันเดียวไม่ขาดสตินะ คนโบราณหลวงปู่เทศบอกเขาฉลาดนะเขาเรียกว่าลมหายใจพอลมหายเราถึงใจเลยนี <c oughs> ่นะเราก็คอยรู้ว่าเริ่มต้นภาวนาอย่าบังคับตัวเองส่วนมากผู้ปฏิบัตินะเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองอยากปฏิบัติก่อน <c oughs> อยากปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติสิ่งที่ทําก็คือการบังคับตัวเองอันนี้อยู่ในอัธกถาสอนไว้นะน่าฟัง ทันทีที่ลงมือปฏิบัติเเรียกว่าปรุงแต่งฝ่ายกุศลปรุงแต่งฝ่ายกุศลกับอัตตะกิลมัฏฐานโยกอันเดียวกันบังคับตัวเองงัเราไม่ได้ปรุงกุศลไม่ได้ปรุงอกกุศลแต่จิตมันปรุงกุศลบ้างปรุงอกกุศลบ้างเราตามดูมันไปตามดูไปจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็ปรุงกุศลเดี๋ยวจิตก็ปรุงอกกุศลจิตมันปรุงของมันเองไม่มีเราปรุงนะต้องรู้อย่างนี้นะงั้นภาวนาอย่าให้เสียหลัก ต้องดูให้ได้ขันห้าไม่ใช่เราดูมาตรงนี้ไม่ไปดูที่อื่นไม่ใช่เป็นนั่งรู้ลมหายใจแล้วก็เคลื่มๆอยู่กับลมไม่เห็นตรงไหนเลยว่าไม่ใช่เรามีแต่งโง่โงขาดสติไปนะเรียกสมาธิหัวตอสมาธิโง่โงครูบาอาจารย์มัดป่าเรียกโมหะสมาธิหรือไม่ก็นั่งแล้วเยิม้มเยิมเยิ้มเยิ้มทำได้หลายแบบนะนั่งแล้วเยิม้มดูเป็นไหม <laughs> พวกที่มีตาข้างในก็จะดูได้ ทำเยิ่ยมเยิยม่มีความสุขเหมือนคนติดยานี่เป็นสมาธิที่เจือด้วยโลภะด้วยราคะสมาธิเจือด้วยกิเลสใช้ไม่ได้สมาธิที่ประกอบด้วยสตินี่ใช้ได้อ้าจู่มันเห็นจิตแยกเป็นสองส่วนนะครับพระอาจารย์คือส่วนที่บังคับไม่ได้กับส่วนที่ว่ามันรู้สึกเป็นตัวเราดูไปเรื่อยนะอนวันหนึ่งมันแจ้งว่าตัวเราไม่มี ไม่มีตัวไหนที่บังคับได้แต่ทำเหตุของมันได้นะทำเหตุได้แล้วมันเกิดผลม่เกิดเองเช่นเราหัดอาดเจริญสติปัฏฐานเรารู้กายรู้ใจไปเรื่อยด้วยจิตที่เป็นกลางถึงวันนึเกิดผลมันรู้แจ้งขึ้นมาเพราอนความรู้แจ้งไม่ใช่เพราะเราทำให้รู้แจ้งความรู้แจ้งเกิดจากเพราะมันมีเหตุเราทำเหตุมั น, นเราทำผลไม่ได้นะทำเหตุได้ เวลาดับดับที่เหตุไม่ได้ดับที่ผลเหมือนไฟไหม้เราดับเหตุของไฟไม่ได้ดับที่ตัวไฟผลนั้นมันเกิดขึ้นเอง <Yeah. S 1> อเชิญไปทานข้าว